หน้าหิข้อสัตตมีวิพัตน์อัดปันจะมีมีอุทาหอนเดียวเองมีใช้น้อยแต่ก็มีใช้แต่ว่ามีใช้น้อยเก้าสัตตมีวิพัตนในอัดปันจะมีแปลว่าจะเห็นสัตตมีวิพัตนแต่ให้แปลเป็นปันจะมีวิพัตนอุทาหอนกัทถลีสุคะเชงรักขันติกัทถลีสุเป็นสัตตมีวิพัตน์ ส่วนคัชเชนั้นนะ่ะไม่ใช่สัตวมีเป็นทุติยารักขันติรักขันติย่อมรักษาคัชเชซึ่งช้างทั้งหลายกะทะลีสุจากต้นกล้วยทั้งหลายกะทะลีต้นกล้วยถ้าผลกล้วยก็กะทะลีผละลูกกล้วยผลกล้วยลูกก็ผละผลนะผล ใช้คำผลตามหลังดอกก็ปับปุบ ผ, ผลก็พละต้นก็ขันทะใบก็ปัณ น, นะถ้ากะทะลีก็คือกล้วยเฉยๆไม่ได้หมายถึงว่าต้นกล้วยทุกอย่างเลยกะทะลีหมดเราหยิบตรงไหนมาก็เป็นกะทะลีหมดแต่ว่าถ้าจะเอ่ยชื่อเฉพาะอย่างา น, น, น ะ, ะถ้าเฉพาะเฉพาะอย่างต้องบอกไปว่าอะไรลูกกล้วยหรือใบกล้วยหรือต้นกล้วย ถ้ากะลีให้เฉยเนี่ยเอาทุกอย่างเลยท่านหนอก็เป็นอังกุระไอ้วันตะเนี่ยนะหมายถึงขั่วขั่วผลไม้ทุกชนิดใช้วันตะหมดเขาเรียกภละวันตะคั่วของผลการก็เหมือนกันวันตะการขั่วการกล้วยนอกจากจะวันตะแล้วยังใช้กันตะก็ได้น ะ, ะเชือกกล้วย เชือกล้วยกับเชือกปอล่ะรัดทุกกล้วยกวนเหรอเขาเขาเรียกเป็นขนมไปกล้วยกวนนะเขาไม่เรียกว่ากล้วยขนมขนมกล้วยก็กะทลีปุ๊บกะทลีปูวะอย่างอื่นก็เหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะกล้วยนะผลไม้อื่นต้นไม้อื่นก็เหมือนกันทำไมใช่อย่างต้นมะม่วงก็เหมือนเดิมแหละรากมันก็มูละเง่าก็มูละต้นก็ขันทะมันเหมือนกันกลรา ต้นกลานนก้าหรื อ, อต้นกล้าถ้าหนอ น, นี่หมายถึงผุดขึ้นจากใต้ใตดินถ้าตอนกิง่ง ถ, ถ้าตอนกิ่งเลยนะถ้าตอนกิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าพีชะเป็นพีพชะพีชะนี่แปลว่าต้นกล้าอังกุระเหมือนกันแต่ต้องใส่ว่าไผ่ด้วยเวรุอังกุระเบรลังกุระก็เหมือนกับพุทธังกุระ หนอแนวพระพุทธเจ้าเนีเหมือนกันใส่ไม้ไผ่ไปเวลังกุระหน่์หน่อมหน่์ไผ่อันนี้ก็เหมื อ, อ น, น, นกั น, นกาทลีทังกุระกับหน อ, อกล้วยแ <c oughs> ปลว่าหนอ์อะหนอได้ทุกอย่างอุทธะังกุระนี่แหละยอดก็อักขะอยอดอักขะอักะกาทลีกาทลีอักขะกาทลรยัคขะ ทะเลอาคายอดกล้วยแต่ยอดกล้วยเขาไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมียอดกล้วยยอดกล้วยคือใบปลายใบอ่ะแต่ถ้าปลายก็คือโกติโกกโอโ ก, โ ก, โ, กโกติที่แปลว่าโกดะเดียวกันโกติแปลว่าปลายอ่ะละกลับมาทีเนี้ยถ้าเราไม่แปลว่าสัตมีเป็นปัญจมีเนี่ยนะาาก็จะต้องแปลสัตมีว่าอย่างนี้ ย่อมรักษาซึ่งช้างทั้งหลายในต้นกล้วยในกล้วย<ม>ก็เลยกลายเป็นว่าเยเลยเป็นาอาว่าต้นต้นช้างเข้าไปอยู่ในต้นกล้วยไม่ไม่ได้แปลว่าดงกล้วยถ้าดองกล้วยก็ทลีวะนะรักษาซึ่งช้างทั้งหลายจากกล้วยจากต้นกล้วยก็คือเฝ้าดูช้างไว้ไม่ให้กินต้นกล้วย คือคือตอนนี้นะถ้าเจ้าของสวนกล้วยนะใช่ต้องรักษาต้นกล้วยแต่ถ้าเจ้าของช้างล่ะเจ้าของช้างไม่กินกล้วยเขาก็ถูกปรับสินไหม <c oughs> เพราะว่าถ้าเจอเนี่ยนะมีกอไผ่กับกอ ก, บกล้วยนะ่ยนะช้างจะกินกล้วยก่อนกินไผ่เดินเข้าไปหากล้วยเลยใช้เท้ากระแทกสองสามทีดึงพรัวออกมาเป็นต้นฟาดฟาด เวียงเวียงม้วนเข้าปากไผ่กินยากกว่ามต้องรูดใบทีละรมทีละ ร, รมละกล้กวยนี่ลากมาทีเดียวก็ได้คำใหญ่เลยก็คือดูแลรักษาคนคนเลี้ยงช้างอะ่ะนะคนเลี้ยงช้างก็เฝ้าดูแลช้างไม่ให้ไปกินกล้วยคนอื่นเขาถ้าเจ้าของสวนกล้วยก็ต้องรักษาต้นกล้วยไม่ให้ช้างมากิน มีอุทาหรณ์เดียวเท่านี้แหละอ่ะแปลดูกัทลีสุคะเชงรักขันติย่อมรักษาซึ่งช้างทั้งหลายจากต้นกล้วยรักษาช้างจากต้นกล้วยเฝ้าดูแลช้างไม่ให้กินกล้วย